มีแววตาคู่หนึ่งที่มีซึ้งแอบจ้องมองมาเป็นแววตาคล้ายเก่าที่ฉันเห็นจนชินและชาวันเวลาหมุน เ, นเปลี่ยนเปลี่ยนพันเปลี่ยนคนเข้ามายังคงความรู้สึกที่เยียดยามกันด้วยสายตาอยากให้ถามฉันสักคำ ที่ฉันทำไปเพราะอะไรอยากให้ถามฉันอีกครั้งทำไมถึงทำแบบนี้ถามฉันสักครังทำไมเป็นคนไม่ดีทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำเพราะอะไรจะขอตอบทิดด้วยนะ สิ่งที่ฉันทำไปอาจเลวร้ายมืดมนสังคมเหยียดยามผิดมาใช่ไหมคนดีศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้อย่าทำร้ายฉันอีกเลย อยากถามฉันสักคำที่ฉันทําไปเพราะอะไรอยากใหถามฉันอีกคําทําไมถึงทําแบบนี้ถามฉันสักคำทาไมเป็นคนไม่ดีทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นทําเพราะอะไรจะขอตอบเธอด้วยนะ ไม่คนดีศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้อย่าทำร้ายฉันอีกเลยด้วยแววตาคำตอบก็คือน้ำตาที่ลังลงมาข้างในคนโชคร้ายดินรนไป็นสังคมเหยียดหยา ิดมาที่ไมคนดีที่ฉันเลือกเกิดไม่ได้อย่าทำร้ายฉันอีกเลยด้วยสายตาอย่าท้าทางฉันอีกเลยด้วยแววตา